อันนันเาหาีอ่ง o ้นพยายามยังไงก็ไร้เยสาอือขาเสยงนรับ่อมันี่สามนองสนี่เจ้าเจาเจ้้าเจ้าเจ้าเจ้เจ้าเจาเจ้าเจ้าเจ้า้าเจ้าเจ้าเจ้าเเ้าเาเจาเเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า้าเจ้าเจ้าาาาจเ้จเ อืมไม่เอาแล้วนะอืมเขาบกเออไม่มาสอบไม่ทำเออม่ทำอืมก็ชอบกันอก็บกันอืมใช่ใช่คงจะทำเจ็บอย่างนอืมไมาแล้วนะอืมก็ใช่แล้วอันนี้จะเกิดอะรอืมแลกิดต่งนักร ใครสแตนหรือเปล่งขวานเปล่งขับมันเป็นหมอนอ่างการิไปเ่อกันไปมันไหลเป็นทางมากบผมันผมบอกขาตันเปแล้วก็สตนางนั้นากของมันไหมาจริงๆนะครับรถลากไปทีแล้วไปปาปรถเท่าไปหนึ่งคนในบ้านคนนั้นรเท่าๆยาวขนาดไม่ได้ คือมาปัน <they> ท uh, ่าปันท่าโมได้อยู่นี่มาไหลดีแล้วถ่ายโได้มากปั้นใหม่ปั้นไหลใหมได้่ากทำอันตราดอย่งนี้โมได้มได้เรื่องเายได้กันขั้นโมไปน่หยาไม่เสียระั้นหยาดเสียระองนั้นก็ตามตัวนย้ตัว้กไม่าเรงเสียระข้อเสงมัดแลก็ข้อตานีนี่าเนีนี่ ถ้อยาอครับขตรนัยสับสนอาจารย์เขสนะหมดเลยตังังนี่็านตารมาที่โอ้การม่่้รยดี อาจารย์มาอ nah? mm. mm. ันแม่ก็น่าเป็นเป็นผสมนะนอยมีคมบริบายนิ้วกระทะเนื้อล็อกไม่เสร็มีสุขสิทธิ์สินสุดสุดการรักษาเสมอเลยว่าเนี่ยคือ ไต้ไก็ดมต้องใก็ได้โอเคคลากันแนนบุาวกากกดทม่คดไม่ใจบาเพราะดยนงยล่าเลเนะไม่ดบอย่างออกทาีก็ยนงเลยพอเ็ไปเจ้อ คือคนใส่ยีพันกับขั้นเใส่ยีพกับขั้นเนะเขาจะก็จะโอ้ไหลเนเส็จเน็ตน่าทันอกาศนี่ทอาอยู่กับเน็ตมาทำเสร็จบางขั้นกนัลมันไม่มนก็จะก็จะก็จะโผงื่อนใจด้าอื่นนะตจะเป็นรบานะยีลายจนดข้ก็ต้องรู้แต่้ามาเที่ยวมง ฟังเลฟังไม่รู้จะฟัฟังม่จะไม่รู้ัไม่รู้กัเดยได่ไหมก็ฟล้วก็กันอืมฟังกันไป เราเห็นอาลายย่อำาหลยอยางใครเิดด้วยิดด้ยน่าจกิ้นี่ปหารเิดดวยคเข้าใจกรรมมากนเลยบากันอเ้าบางบางบางแห่งบมักขันมาจูบจับขนาจบบางแห่งบัดมักอะไรนี่บางแห่งบัมกอุา เอ tamam, <glorious> ่ <laughs> ああ้ะท่านีม่ต้องันสันกละมมึมันอขันุดอะมันมันเขาเจะมันันขั้นี่ที่อาจารย์ขั้นจารย์บาง ว่าตัวมาราพิสาเทวะขปมิสันเดชุกว่าตัวมหาลาพิสาเทวะนั้นพัฒนาขปมกสันถ้าเทิดเปิดขปมิลาของธรรมะก็สาว้ามีห่างเลยมีห้างแบบสาวีสาวมัสส์ดาวสับเปล่าสับเหนื่อยเราจะแห่งนึงคนจะเป็นห้องนั่นก็จะเดือดปฏิบติมากเกินไปแบบบนทางขาข้างนอกก็เรื่อนนังนั่งเดิน กำลังเสียเลยแค่เสียแค่ไฟอย่างนู้คนห้องบนก็ร้อนเพราะเร่องแสงางเลยแต่เนี่ยีดังนั่งเครื่องยสงดังนึ้นแคดังขึ้นเลยเดินตะ拉เนี่ยเขจะมั่งคือรถ่ยเนียปวดอ่ะปวดอ่ะที่เดินะเนี่ยไหวมัเลยตะ拉เนี่ยหักได้กนบัดใสก็เปนใ้ำาอดีมากสุดที่เราบ เงาคน่คนทัวก็ะเถอเออเมื่อเสียงดังเท่ามดีทงเคื่งก็ต้องารเล่าบางนั่นเออบางตอนสาเล่าือดแรงมัเดือดเออตัดตัดตัดตัดสารเล่าไปเลยเอเหมือนไนะฮะท่าเสียก็เท่านเออคือว่าารเล่ามันเดื่ดเลยว่าเสียงต่างข้างบน คือพราเองนะครับอำนาจของเทพจ้าเองอำนาจของเทพจาอำนาจเทพเจ้าอะไรกด้อนาจอำน่งปฏิวไม่ตายไม่ได้ไม่ได้เลยเาะคนตาก็ได้แล้วมันขัดจงเลยถ้าไมนะาย่ได้ขัดจ ก็อกับมาใลมาเอแ่ไม่ไม่ใช่การไม่ใช่ไม่รูบจะเป็นตัวอ่างอย่างนี้ตัวอาที่สอองค์หักานมากที่ทั้งคทั้งสองจำที่จำอันคนเดียนี้ยรกคาพอบอกประสแล้วก็จะสนิมนมากหลันคนเีนี้มัมาลานน ของเราอาจารย์ไปทำาอืรกแเขาสังไเข้าก yeah, like yes. yes. right. ันไปเลยอาจารยไมเข้ากันไปเลยไม่ทำเลยาจารย์ผมจไปกได้ไปก็ได้ไปก็ได้ไปก็ได้อือไ่ใไม่ขายไม่ขายอะรกัน๋มัเี่วข้อจะไปก็แคจะไปก็แค่โอ้ไปก็ไปแทนของเขาผมคือปฏิวัติของเข เป็่าเครับขึ้อขอเ่งนข้องใจง่เลรองนไปบตรัวขึ้นอะใชเอ้นเลยนี่อืขึ้นสองวันลงสวันกันี้ขึ้นสองวันลงวันกันี้ขึ้นสองวันงสองวันกันี้หมเลยอมวันนึเท่าขึหยแล้วมาเท่าจะไปไปไปไปไปไปไปไปไปไไปไไปไปไปไปไปไไไป ทั้งหลายมันแข็งมันกระด้างมันดึงไม่ดึงนี่ขดที่สามอี่ขอที่สามนี่ไปคัดคลองอาหารนี้สาคัญเนี่อาหานเนี่ยเขากินแต่ทัวแต่ง่ากินแป่น้ำหง้าดินแต่ทัวเอานะไรมาทัวมาทําขี่ยแล้วก็เทหมอกแดงกายจะผมแล้วก็เทน้ำหน้าไปสินแดงสินแดงทัวแต่ง่าไปเลยนี่ไม่คิดไปคัดคลองอาหารเนี่มันเลยนี่คัญนี่ขอที่สาม พอได้สร ah e ah ็จจไปคัดทองทังภาษาโสภาษาม่ค่อเรียนกันไหมคัดทองทั้งภาษาได้มางืออะไพอได้ฮะคัดปฏิญญาสอนได้ไม่คัดภาจาไม่ทั้งไปไหมคัดปฏิญญาสอนอะไรยไปน่ข้ามา ไม่ดเลยนะอาบน้ำเนี่ยเขาก็ได้เงนผ่าบนผ้า้ินนเขาแก้ได้เขาแแต่ฟังนงจะอาบนอกันขันย่างวามาดีอืมเขาบอกาได้๋อถือเป็นธรรมดาเลอืมแเรื่นนันอืมสติยานี่วไนไม่ท่านข้อมจากนก็ไปท่นไปก็ได้อย่าไปเุได้รก็รไาคง่อไปอ โอ้หคือเรืออใหมต้อั้งนื้อให้เรานันน่ะต้น้วะไม่ายนะไปกนายแวเหนไหายมันตายนีออกจากเครื่องไปริ้นไปฟบังน้อยทำมันไปไฟบังสร้างจากบังสร้างกันหลับไสใส่เออยังค่อง จากเรืองคลองใจเือเาจไปงาน่ากเืองคองนต่งหมดงานหยิขึ้นมาระดับไปนั่งต่างไปขาาฝนตกแนตายั้งแนแต่หา่ไปทำทหารนอนน้องบั้นต้นไปไปมองว่งมาก เมื่อตอนเมื่อไปร่ก็ล้วแทั้งือขม่รเมื่อไกองกองหาบาปนไปกาาาะกักเออสเออนกที่ไม่ร้นะ่ <Gard ena>. ือ้กไปังของก็ไปเร ไปไม่แข็งก่อนก็ n g วัดต่อเนื่องเจ้าทเมนี่ก็ต่เนือนนี้วัดนั้นก็ตออืมต่อเข้อืมเข้ปจากอะไรเอออันนี้เ่ารอ่มนี่แต่ไม่จำได้ไปเรื่องต้นอืมไม่เอมีประช้อนมั้อ่าอ่าเขาอุ่นอ่านับเอนีอแบบน เราพราตารย์เอาจารย์เขียกระอาจานยอาจารย์อปถัมนั่นไม่สำคัญนั่นไมวสำคัญาเวลาการอาจารย์พระคันเดทมากมากก่หาอาจารัดมาขอคำั่นีล้วก็อาการย์ทำงานหรืไม่ขอไ ก็จะเน้นว่าเขาต้นแบบเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแนี้ัตคนามคนคือคนเน้นข้อบ้นนั่นเเมาให้เองบาตรของเออ่าออเพื่ือนจือเารบ้าเาจะรงกันเรื่องบ้านมั่งเบสั สม่จุดนี้ม่จ๊ะน้นี้นวะยงงก็บรกไม่อสลสมามั้งพอสุดมากฮะฮะที่เสิ่งขอ้งเมื่คแบบสมัยนี้ถามมนต้อนที่น้มได้นนังมามาได้ประโยชนะไข่หนดได้ มัดไม่ต้องบานเลยเวลาเป็นแฟนก็ปี๊อาจจะต่างก็ได้ปี๊มาแล้มเพื่อต้องให้เราได้กอดนะโอได้กอดทั้งเกาหลีวัดนเอากรนบบรากันมาร์ทเลนส์ต่างกันต่างนไรน่้ม่าลาดน้่มล คืออะไรคอยกันเล่นบ้ n นใครอยู่นไหนใครจะทำบุญยังจะส่งเส้นจะสงนจะได้ถ้าคนนี้มันก็ส่งคำบุญแล้วเดี๋ยวจะส่งเส้นใ้กัไปไปด้ครับยาต้องม่ต้องน่อยนอนก็้อยก็ไปทำนอนตายนอนตายเป็นควาเดียวที่เอ ข, alloy, ขึ้นกระดับขาึ้นกระดงกระงขึ้นรงสี่นองถ้าัมผัางานแล้วให้การเสียกันทางแล้วเขาเสือกไปได้เขา้ายแบ้าเสี้หงงก็บ้ไป้ันดีมเ็ปรเยอะดนแล้วถ้าสัมผัสฐานเงนลไปแล้วมาไปใส่นไป้ก็จเป็นเรียลล์ล่ไปเข้าไปเข้าไปเลยเขไปเลยะยอดเป็นทางงั้น ผมนัมเลยมี <Yeah. S 1> นัมันเย็นมากเลยฮึโนละแมันอ๋ตมันกดวยออเดือาหังอนโอ้โอ้โโอ้โอมันหลอดไปลไปเลยข้างกองมันเนมนันบาบบบเดอดบาบเดืบมันเกอ๋อหนังคอนตกหนังคอนเดน เขไป้ท่าเเลอนองกอย่างต้องเ้าท่็องอาบอนัม้ก็อา้อยแล้วถ้าไปนั่งไปเรื่องไเรื่องไปไ่อง่เรงไจะไม่จาดเร่องไปเลยล่ะถ้าทำไปยนงานมี่จัในงานมนีไปเข้าทหารจัดทหารไปใา่ไปชาบานสามนาแด Mm. นังได้แต่บ้านฟงได้ขนาดแต่บ้างไม่ได้งั้นนี่คดีหัเดียวหลังกป mm. mm. okay. okay. mm. ้แวนีล้วดมั้นงน่คันนี้่เป็นห้องันเ็ห้องนีอนี้เจะมาตมอนัอนาะก็งั ใสก็สะอาน้าให้ครับมันทรมาร์นหนึงก่อนหนึ่งเป็นเป็นทรมาร์นให้เขาจะเป็นมีเส้นแข้งเลยขาห้าใส่อัามันก็สะอาดน้ำนะเพืใส่ไปไปขาไปบ้างเขไปบ้างน้อยก็ไม่ออกเอาเ้ยมาให้แข้งให้ไม่หาเลยไมออกเต้ยอ่เปอก็อมันจะพากลิ่นพากลน แทเีล้วก็มีใครเยอะก็ไ้เลยครัะาสาเอาสามนมาตชับสามคนได้เียามอ่แล้วก็ส้งเป็นห้องแล้วสมกันนี่แต่ใช่เยอะทั้งหมดต่ใช่หนึ่งอ่แล้วก็มาประกันเงินเดืนหนมันหนาวไรใส่หม้อนไ่ได้ท่านขออย่างนี้ถึงใชได้คุก็ถึงใ้เขาก็ขอแตนอนนะนอนก็อืมก็เอาแต่รของาัันเดียว่ ข้างนั้มได้้างนั้นเด่นไม่จ้งเลยมาประการไปอยแลก็มันจะเป็นนึ่งเป็นนี่เสยอนวต่ตามันักึไปขึ้น่ะขึไหมดหมไกลากาไเลยขึ้นไเนผมก็นมาปกรมากการนี่ได้ไนี่ก็นงนี่าเท่าน้นผมก็ปวดหัวัน มันจุดไเียะนหน้าเนะจุดไปเมาัเ็นแบบนเดี๋ยวแต่แต่เป็้องนแบบนี้นเ่อหนั้นมาข้นอเดี๋ยวต้องเป็เเือนง้นี่เนลารน้นเ็ก๊ยง อันนี้อันคนนั้นอยู่ท้องใต้คนพอพออยแล่คนนึงพอมาเป็สามีคืสามพอคอยแล่งนอยู่ท้องใต้แล้วก็ t องกัดกันเหลือข้างกันทองกันี้ก็ส่งกัแล้วนี่เนี่ยแต่มันยังเงนเออสิบสินยนแบบนี้มัน่าสิบนับเลยเงิน กะมาหนังกันลูกประกาหาพระอาารย์เออนี้คือพูจามาแล้วอแล้วจารแล้วจะททมาทหแ้เออได้ว่าผกดารนนักูดารนี้เออผมมกเับงใดงูก่งน่ทานัง อานี้อนคตมาแต่ไนมันเล่าบอกบอกบอ่าถเกัดอนี้ถ้าเิตันมันะเชื่อไหมถนี้มาที่นาดนาดนี้ถ้าเจอห้งเขาไปหานนีะต้อง้งคนนี้เะไก้บกไปนี่ท่นมามาเ้าขาอย่างนี้ท่ขบมาหาไม่ได้ทันอย่างนขัมาหน้าขัมาคนว่าเขาขับมาแล้ว เราคุยกันถูกกัมากแล้วบนมึงมึจะเข้ากันแล้วอาจารยเฮยฉันน้ำมาฉันรับจารย์ฉันจะใช้เงเขาเออก็โอเคนะน่าักดีบ่ผมก็ตั้งตั้งอยากจะมาตั้งไปตั้อบันเดาะอบันเดาะผมก็เคยผูกานได้แตนี้เด็กนุเขาเป็นเด็กน เออจะไปนอนลุกมาลุกา่อลูกคนมาถึงเขาั้งยเราทั้หลายเร่งาท้ายเราโอ้ยทำานด้กันเรื่องนึงนึงเรื่องหนคนนึงกคนนึ่งอืมยกขมาหาผมมาค้มมกันค้มผมผมกระวานเลยคุณมคุณน้อยนี้จับนุมเลยคุณรน็กันอางมัากรวา้ืองห่งกอ่าาันกันัคนั เขาว่าะเนี่ยันน้อเขาจะทำแบบถ้าคนส่วนตัวนถ้าคนส่วนตัวนี่สามส่วนหน่งส่วนจะตกใจนะแค่สนแบบอย่างหมาในบ้านแต่แต่แต่ในบ้านน่สิเจ้าเนียเออเออมันขอดในบ้านเป็นเอบางได้ก็มเออใ่บานก็ได้าักนอนกันทักแต่ว่ารับแรงแล้วกนน ก็ได้ม า, 3, านน่างม า, านี้มากต่างฝันฝัคนเป็นเจ้าหกระจาอันเสียงนี้หมาที่ต้งมาแด้ทั้งหลั ง, งเป็นังกหแม่แท่าไหล่โอ้มาแต่กันเราอานข้วนออขึ้นเอมันกตันโดเด็รัำเด่นอนได้หมาเ่มันให้แ้่เอมันให้สีสือันือั่นแอ่าคนตายออกโลกตายในตังคนหน้าตังรกษาคนห น, นึ่งคนหนึงมื เป็นไข่เป็นปวยตายเมือนกันอย่มันไปชื่อวันอ่าต่อตางสองตานึ่งต่างว่าตาหน่งมันจะนกระไเลยมันมาชื่อต่างเนี่ยอ่ามันมันชื่อเนีมันเสกเนี่นะอ๋อเล่นกระโยกกระไรยาต่แต่นันฮิตน้ำพอนเนี่ยน่ารักทะมก็เลยกอง ตัวนีัีอก็มีไายเกะ้อ่าังั้นคันันห้ไได้เลอออ้เออดั้นม่มันเปรก็ไปวะครับมันคือการตัดอย่นั้นเรามอตอน่มันเสื่อถึที่ละมันต่เนืองตค่งมันเก่งยมันะเอาอนหลังมันอะเ ก็ทกันีนคต้องไเป็นตัคต่างๆััปรื่งง่้องาทีนตัไเรื่องาตัดคำนันเออคนยี้เ็อา เนี่ยเขามีสองไถ่บ่อนสบายจานน้ออาบน้ำนั่าแล้น่ะเป็นฐาน้ขนแคเ่ายแล้นมันมันแล้วไอ้งอแคนนาหคยทรกเอาล็ก็อ่ามือว่าเจ็บคแดงอเ็ือคั่แดงเพิ่มเอาไปสร้างว่นอเอาไปสร้างแล้วก็เอาไปแล้วก็เอาไว้ที่ตรงนี้เอาไว้่ัน ไอ้อั i น t ้เห m อไอ้ท่านต้นนี้อันจ l ้นตันเห้าา แต่ังเล่นต่งนี้ทางนี้ก็ังเป็ วันนี้เราทำอะไรกันบ้างไปกันก่อน มาแลวกม่ต oh, ้องมามาก็จะไปหมดแล้วกันเออมาแล้วต้องต้องไม่ได้นี่ยผมไปท่กอนมันไปที่ก้อนมันไปหามึงข้าวหน้ามันมันบนบนบนบนตะกอนเฮ้ยบริเวณนั้นงานทำก็ขั้นกว่ามีแตงโมสวนหลอกมัดแต่หลายคนไม่เดอ อราให้เนี่ยบัตรเงินละง้องตรงินลง้องค่อยมอญอุปกรณ์เออใส่เด็คนทน่ามืดตาใหม่เขาเป็นล่างตาใหม่มืดตึ๊งแต่คนเดมันไปเดือพัดกันตึ๊งหม่มันไปดองกันตงองเป็นทานใหม่เงี้ย่เหมที่เราต่อการกเทียบไปทางไปขั้นเด่มันเป็นเราไปหมดน้อย่ึ มันก็ได้แ่ท้ัไปมุ <S <s ่ส e ่วนนมานเลยนะความทั้งใจจะมาเร่งอ่อนละส่นเหรอืมจะมาเร่งออนบันทรองอ่นที่อ่อนอู่ดีหลังเฮ้ก็ไปเตียงห้างนะเต็ยห้านบันกพักให้แ้ก็จะเตียงห้างบันทึกทำห้ันอืมไปดูหันอาั้นมันยามากเขากใขันสัมมาแล้วอืมถ้าขันใจใช่ไมไม่ต้องขั เราเ้ามาเป็นแลลุกลุกลุกลุกโอ้ยน่ารัันน่ามันเศ้าอ่ามันขอนี่เด็กตั้แต่นอนอบ้านไังวนเมือนกันนะอาาได้แจ้งแล้วไดแจ้งอ่าเราใช่เขาเใชเขห้แล้ว่อนคนแบ้นห้องก้างเนห้งกับห้งกันในที่ไม่เ็นไรโอเล ต้องทำงมีกสรเิน้่อไปทกเว่าอานมันอะนั่นใช่นัไป มีมากกว่า hmm. ม oh, ี mm. ่เลยกี่ามีหักก็จะเนงกมัเน่าเน่าเน่าเน่ามาแตงไมทั้งตันกไปซึ่งเออถึงนเหล่านี้แตงแฉเหล่านี้คนมันมาจนค่อนคิธรรมดาเน่ามุมเน่ามาแตงเลยว่ะ้ยมาแตงนอคนเจนไปเลี้ยงกันหน่อยนน้อคนเนื่องคน โอ้จะั่รานกันี้มาจะไปบันเกี่ยวั้นบบนี้เรบั่นกองฮักกับนี้โอ้ก็ไเออเลที่ไปที่หลายหลาย่ะทีไปที่แลที่ไปที่้ันันกับเกา้ันทังดวทีไทงขนไป่นละอันเ่างนี้ื่่ม้ยมันอยู่ได้น้ออันทำเรื่องขอแจงอ่ะมันงมันงจะ่เคยจบเอออันขนมันกรดดล่เออและตาตาดวงข้างใต้ก็ัไป เราจะให้เาหน้าเที <olarak> ่ทางนัดเราจะหาคนพักพระอาศัยพวกน้เราจะมาหาติโยจนหรอเออจะเงาครสุไรต่ข้าพจ้าก็ะรสำคัญไม่สำคัญไม่สำคัญไม่สำคัญี่ยวกับเกี่ยวกำับองทัพ ทำยังไงบนั่งอะไรกันบ้างคือรังเ่ีนตั้ง่ ทำไมดูคนเห็นแต่ดคนแต่นกะแต่ไปเช่าังาขาวกันถะนอ่อนก็นไรบ๊วยแต่เืเงินมัย้ใครไ้คนไม่ได้จะไม่จ่าล้วคนไม่่จาก็รวัาก้งนาะเพรานั่นผมเี่ยใหันสีสมึงขาอาจารย์เอกร่อวัดปาก้งน ไม่ทำนาสองคนเลยหนึ่งคนนึ่งคนทำนาสองคนโอ้แม่เนี่ยทำอะไรได้โอ้ว่าชื่อวันน้ำได้อ่าคเนอยายลียเกที่น่เลียเออแล้วกกันเน เป็นบอกกันขอบคุณที่เอายังคือคือที่นั่นนั่งกันนี่นะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ด ก็ตรงท่ากมเไหมพราะวันใบที่บถามบสี่ม้นก็นะกัอนลงไปกันไปแตบาพวงอย่งน้นเงินก็เพ่อวกัน่ก็อบาดจหนก็จะไม่ขังเราทงเกรัเาที่ทว่าท่มัน้แาจะอยู่เป็นว้าันเออวารได้เกิดโทจากคนอืก่น แต่โทษายแล้วไปุยเรื่องขวรัข่าวตอาเคล่อนของกระดูนี่นะตุกตาัวคนนี้โดนที่โดแล้วข่าวเลอนเก็เราไ้ปจับไข่มาจะพูดว่าไไปจับไข่มาเป็นเรื่องข่าวแต่ถ้าไข่มาในเรื่องกระหมองเออก็ออกมาหันเล่นมากกว่าก็จะเป็แยกันเฮ้ยเป็นกรเลนกระเลื่อนกรเคลื่อนสงด้เนาะ ถ้าคนเป็นอะไรก็งั้นก็รักงานก็งั้นเออก็ไม่เกิดโทษสารเกิดไมเข้าใจอะไรกิม่บบนั้นเกิดไม่แบนั้นเออแล้วก็ไปไปอะไรก็ต้องกระตันใจก็นใจแก็ต้ โอ้แตงทานเอาปแะ่ละคนบ้านถ้าในแต่งทานประกา้หาคนมาเออเกิดแสงเกิดงินเงนคจะเอารนจับมันตายโ่เออบางใหไมแล้งานการงนจะมันตายโย่ความหนักในรัวเพราะคนตากมัน็ารหลับ้มเอาการถึงไปทอ่ไงแล้วคนละเอียดในานมีกต่แต่านเปนค โอ้ไปได้ข the so ้างต้นเนี่ยับเออคนห็นเขาังหาหลกหาหวังาทั้งเี่ยวกับการิรัหาล้เออทัยังไงตองบงหัเออให้มาอังหันเลเออคยไนาเ่บนั้หลายหาเาัราจะเรียนอะไรกันได 哦，生了，这个生了大蛇了，呵呵呵呵，大蛇了，怎么，怎么，哦，我真疯了，哎，那有那么的，那么的不偷的，嗯，财产什么的，我讲，哦，我这个，嗯，真我也没开，嗯，躲藏，嗯，好，那个本来就不放，他家小呢，哦，还放，本来就不放，人家小了。 ยังไม่ t h ้เขีวอกนัม่ัม่วอันว่าา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ าการไก็จะข้าราได้กอ้จะเข้าใจคราได้ ก็อยู่กันต่อแกัน้คนั้นก็เป็ันของผมเป็นเนาะแันวันขันว่าขันก็แบนี้กลางเล็กน้อยนี้แี้เปแต่เป็นมันนดรารต่างกาตั้ององขายงบางอย่างต เก็บมวยเนี <BE> ่ยตัดเท่งเนี่ยของเราบางงานไปไว้ทำคนข้างคนเราจะตบนั่งกับนั่งกับนั่งเยอะเราจะมันเสร็จลงโอ้ยมันมันเล็กมันมันเล็กมันคว่ำเราตีเรื่องบางอย่างก่อนมันโอ้ยเสียงมันดีโอ้ยพอกันแล้วพอเนี่ยว่าพอแข็งเนี่ยว่าแล้วมันไปทางไหนกันที่เรา ขึ้นประตูครับขึ้นคนนาโรปนังแล้วก็โตดงขึ้นลงกระยมาเสียี้ามัสัติลำแค่ของดยทัดมกเลเ็นเขาออกมาหาคนมาเพื่ไร้มมาก็จนน่กอ เหาือนอะไรก็ไ้เลยว่ะเออแขกคนนึงอขกอนนึงฮ่ามันมันมันตักฟ้าเนาะตักฟ้าเนาะนั่งขึรถไฟบรรยากาศมันเริ่มมันเริ่มอิ่มแล้วข้อไข่คนบัรทมด้วยละขอไข่ขอเตียงตัวย่างไปโน้มสามคนแล้วก็ผมนี่อือบรรยากาศอาจัมหรื แล้วก็มัก s ำก a จการทำเพื่นขับรถมาเรื่ยาเรื่แล้วนั่งของนะไม่ชเก็อันนั้นก็อันั้นแล้วก็เออา่าก็ัดสนนอา่าางนมองหอบกัู่ต่าเที่ันต่นที่ยนไปน ก็กรฟังนี ep, b b ep, ่ผมพกระฟังนั่นเพื่อม่เาแต่เามันเป็นอย่งไรว่านี่ยบางคนเปไม่อ้โอโอ้เาจับอะไรบางกระชังกระชังข้างนอกๆๆๆๆๆคนที่จะได้ตำแหน่งได้ด้วยข้างนอกกระชังอืมจับไปกันถามเรื่อยๆโอ้อาจารย์อาจารย์นี่เขนี้อาจารย์คืม้แตทา้งนอกกมา ส่งคนปทำอะไรันออืมทำอะไรอะอกอกัถเนี่ยถึงอรียงพ่าเป็นกลืบ้างแต่ังไม่ฟังอกแต่ฟังเกลอไม่้องฟังกระไรฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟัมันเรีกลือกอะไรถ้าจำมามาหอดันร่องมาใจหันดันร่อ พอใช้นารระดับขับเนย่ยขับเน่ยไม่ใช่บางคำเรียกไม่ใช่ที่แบ้างคำเกไม่ใช่มืนคำแดงโม้ห้มด้วยมาคำมากมากแล้วก็เปียนก็ตั้เอวผมเลยเาะมือเท้ายันจะเยะขึ้ก็เอวมาเลยเป็นยันเนะเดินไปเล็กๆนั่งก็ยังได้ป็นากแบบมาดามคำมากเลยตั้งเอวมาก็มา ถ้ม in e e, e ah ันมันพามาหอดแบบสนมันอันไรสารกัก้าบมาทั้งเท้ขนลายหลาย่กับมาใครกัมากออกไดหนิดับมาขอออกหนงกัมาหลายขั้นเป็นกันก็มนทก็เทมากระเด้อกระโดดถามอย่างนี้เออแตคไอว่าที่จ้ามันนี่มันเป็นงานได้ต่อไเ็นราได้เหนเออ แล้วก so ็ตัดฟันมันทั้งมาตัดจัดน้ำมันขุ่นมากร่างกายว่ามันสิ้นไส่แเล่าโดยไปจ่าไปจากไ่ที่ฟัแค่เดียวไม่ังไงก็เป็นน้ำอาจารไปล้างบาตรเทน้ำไปเทน้ำบ้างเป็นส่วนที่เรา้ที่อืมอมวนเราาดได้ เราไม่เคยคุมกันอะไรหครได้กม่รู้ว่ามันเไะเทอะไรกันว่าที่เกิดอะไรข้วกาก็ว่าเขาทำไรกัทำอะไกันทำอะไกันทำอะไรกนะ ไอ้กิลันไปทำไมพันพักรอมาอ่าทไมั่องอะไรนั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 เขาต่อไปเหรอไม่มเขาาดนี้เยเ่ไป้างข้าข้างางข้างาข้งข้างข้างข้าางข้าง้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้า้ง้างา้ง้า้าข ก็มองเห็นก็ทันว่าทันทันว่าทนะคลืข้าทันเคลื่อนเรื่องทันเ อ่ะขอแสงบางอ่างก็มงหมาอเตรียมอะไรอ่างเงี้ยอันเบนีปแล้วก็า้อมาไดลมันเขาเนี่ยเดินไปเอกับตรงนี้อเดี๋ยังฮะอ่าตัดกัรนเขามานยมาเมานี่ยริเนอ่มนี่ร้าดน่ะอคือย่งอะอย่งเถ้าเกิดนยุ่งตรงนีังคือนไปเลยใครจะ้นท่เขมี่เี่ยแตมาไมได้ล เกลมราัเบ้ห่วน มัดมัดเสร็จเลยเสร็จเลยแล้วบุกตรงมันแล้วเนื้อเนื้อไปติดนั่นเลยนะพอมาจับก็เป็นไงอ่ะกระเดือกคนจับก็เดือดเดือดเป็นมันแต่ขันอ่ะเป็นมันแต่ขันไหลคลาสเกิดเมื่อไรเดินจากภูมิย่อมมาแรงแล้วก็เป็นน่องเออตะวันหน้าเขาไม่น่อง พอก็เอกดมาเสียหน้าไม่ได้แลมเสียไม่ไดียแลว่ามารถเอากำลังออกไม่ไม่สามารถเจ้านายไม่ถึงเจ้านายทะเขาก็ไปคณะเรื่องที่พวกกันพวกกัต้องไปอางนี้คณะารามกระใจที่ เอ้ยชิดไปเจ้าคนโตนักกูเซ็กระไรก็ไม่าเชื่อมาเจ้าแก่ก็มาต่อแจ้งแล้วเนี่ยแจ้งขึ้นมาละเราจะเห็นมันข้อขาวข้อขาวดอกหัวที่ดดอกเอาไปเมื่อไรละเนี่เอาไปเมื่อไรหลอดสลายสามหอดรวกับมึง ใอมายนังก็ทำได้ว <Mar issa. S 1> ันนี้ผมันทำในอ้ายก็ทำได้มากค้าบกันะได้แ huh. ล so ้วทำตลาดทำรูปทกแบบนี hmm. mm ้ต hmm. mm ่ม hmm. mm ่เหน่อแต่ไ hmm. ม่โ uh อ๊ตตลาดคุณ hmm. ก็ะรู้ด mm ีค hmm. ุณจะรีค huh. ุณจล้วคาก็พอเรื่องเบอร์ละแบบไม่เข้าใจคุณจคิด พอาดม้าหรอกมันันี้ไ้ไหมไม่ไวนี่ยแตเคอาปงกร้าดกริ่สละตัวสจะเวันแ้นี่อะหลงบัวกนี่อาันันนมันลบัวเลอมัน็จะดึงให้ตัวนนี่ให้ปตเน่้ตัเกิดทำไม แน่นอนคะอยกนลดิดยาผมกนายมากเราคงมือนกันท่านที่กอเหตี้ตของผมกำลังกับมันไมค้า เรื่องนีเล่อนตำแหน่งนี้แต่ข้ับบออขับแล้วก็นเร่งีเป็นอรจะเป็นนแ้กนจะขับบันคนมผเขาด้วยกันแล้วก็เ่องนี้ัวไมมันแรงเลยนะแล้ัก็ต้อง ตัวมันก็คุ้นมากเลนะคุ My winner. My winner. My My winner. My winner. ้นคุคนอยู่กับคนจะอทั้งนเียงอมทำไมอาแล้วมจะอา่นอบางนอับาง้จะาวก็จะอานะครับา้งหนแล้วก็ไมอาบข้างหน ท้องไก่คนหาอาเจียนคัั่งนใส่แนยเนคอายัองมนัมันดันมาอยู่ใมันเยหั่คยอทตท่องท่ัท่อง่านแต่ท่น่งน น้องชายน้องตัวครเะเนมบ้านไปไปเนนยแล้วก็อนมันายน้อ้องเมัค ยายนแเอทด้ง yeah. yeah. mm ่ยโอ้งเยต้องทำเล้ไม่ต้้อนเร็ว่ต้อเด็ดเ็นคโอ้เวลาจะกระจมากเลยจะมากก่อขึ้นโอมากไนะ โยนเท่านั้นโยนเพ่อันตต่เพื่อกันตัางนี่ยนเขหลังน่ะนี่เป็นตงโตน่ะฮันนี่ทำนี่ทำขึ้นไปขึ้นตอนขึ้นไปวัดนู้นกันวัดนู้นเลยครับคนทำที่ได้สีกันคนนึเมื่อได้สปีแล้วตอนนี้ยังไม่ได้สีไม่ต้องมาทำไมีน ผมปก็ไม่สีจะแยมากอ่าามแต่สีดหน่อยล่โอ้มาแต่เช็คใหม่เลยนีหน่อยวาีกันมาทำอะไรกันะรม้งาหอักได้ะรัันก็ได้ ผมจะทำน no paddle, bien, ี่อืมต่อไปเรื่องอะการว่างอ่า <politicians> มือเร่งอะไรพวกเลยการสมัครเพนแ้วมันกงเันหน้เออบมึงแย่มากเมื่อกี้ยังปกนอาหารกินแตงกีนมะทั่วกับน้ำันงาอ่ากับริกระเทีาวีข้โพดมะเขือรยังงที่เขาร้างเรงมาทำโคงั้นเส้นประทั ม้าหนึ่งสองสุธารวมังขังเว็บหน่อเส้นนึงตะกมาคั่วตะแกรมาคั่วไปนึ่งมันง่ายเขาะไรเตัดง่ายตัง่ยเว็บตั้ไงตัดงาตั้งไงตะแกรงั่วอ่าตะแกรงใส่นไม่ได้ไม่ได้เอาอาหารกัดแค่น้อยเอาแค้ใครมัน ตั้งใจตั้งใจตั้งใจโอ้ข้านต้มสุนมั่งแข่แข่งแงยันแขงมั่งข้าต้สุเแต่เ็นข้าจ้าข้าจ้าไม่ปุุ่่มหรอกไม่ไงไม่ปุ่มปุ่มเออไม่สนใจเลยมัั้มั่อันนีข้าม่นไรสิวะเออยันั้นๆอามาลีตั้โตกับข่หึั้นมด เขาเรียนสัตว์นเป็นอะไรเอ่อคงม่หมดนีอนะหมดแวคนนันถออ่นี่นอืมไม่ใช่แบบนั้นยข้อคามนื่อข้อไหนข้อไหนนะข้อไหนข้อไหนหลักแบบหนักพกนีก็ยังเดียร์ข้อคำขอดความดิอด้วยสือแบดพสิโสแกจากขอดพสพิโสอ่าวนาองายของมัน พัดโค่เสียงโค่เสียงสองมาเตเป็นปกเมือเอ่เสียงของน่ยของหน่ของหน่อยงน่่เสียงอันนี้ก็เอ่อก็ก็นใ่เสมาพอสบายแล้วคุ้มเงี้นอนก็นจะใส่ใส่ใส่ใส่ยึดตาันังเงี้ยนะ ไข่เยอะไข่ไหมครับไข่ข <K> ้ามันมันอร่อยมากไข่ก็ได้ได้เลยได้ได้ได้อ่าไข่ไม่เยอะอ้าวมาไขแล้วเนี่ยไ่ก็มาทับโจยทับโจยกับข้าวมันกล้นไม่ได้่เนยอออกไปทานอกเยอะเนื้อไข่ไม่เยอะเลยหอมเลยน่ากินมาก จะไ้ป่ะโอ้ส oh. มัยสยามเป r นส่วนหนึ่งของสหประาามาละทำโมกันหน้าเป็นเหมือนัประเทศเลยรพวกนี้ตายไปหน้าตาอย่างนี้ต้องกระจาอืมต้องรู้ครับอืมแตเร่บงเดน้านนั้ไม่รู้หรือเเืน้เดีวจะเดาไปทำไมใช่ปอว เพราะการเงินารเงิน่อเนี่ยอยกเงินเลมันอากจัดตั้งเพางันาใบสีก็ได้ออกมาต่ยังไค่อยมีนจังเลื่องล้นคนไม่ค่อยอะไรเสร็จป้นามันม่ไดเนี่สารสีก็จไ่ไหลภาวนาี้เสียงเงียบีเสียงอะไรันมน มาเรียนอย่างคนนีทังังทชินนั้นาแต่เขาต้องเลื่ไ่สเั่งค่่นาี่เอต่างเหียนี่ตัม่ดำพาวยาง้องคันยางนี่ย่างก็ไนิดนีมหน่สิดออยงนี้อกจไป่ไ้นีวันายโกจะทไก็ี นี่มได้ังองไปมั้ยครับเ้ามาเไม่ได้หรอืมโอ้ใ่ไห้าเาเจไปมีเจ้าไปด่นิยานเาครับ มัเล่นอยู่เนาะเงืองเส้นกลมเดอดเลือดเส้นกมอ่าฝ้ไม่นมาผมกคราวาไปันมาแล้วนันู่ันนบเงิไปาเาไ่่เอบนจับเงิมเนนี่ทำรึเปล่าทีี กูตื่นยี่สิบล้านนี่อือเราไปฟ n งเส้นเตียงเกาเขาูล้วเ็นเยอะอันสุดเตียงลยเ็นก่หนึ่ใ่กเดนปไปบานคังวสีไปกับไปบ้าหัวไปไปหนองเงนหัอหนองเงยนไปามันไม่ทำบ่มีคนกมันสายกัน แต่คุณตีผมนี่จะเล่ามี่ดู่งทำนอาไปโ่าไป่ให้ดลกันไกบ้านไปนไปก็แคนี้เองโอ้แต่อเปงองมางบนนนมาจก่สั่งแค่คุณตีเเออเเออห่ัล่้จะไปัล ก็จะไม่ใช่เหี่เราจะไเป็นนแบบอายก้าปีก็่เลยอือหกหาปีไม่ตัดแตมทุวันทุกวันข้อมือแรงเราจะมักจะแตกไปต้มน้ำต้มน้องผู้สัมจะกลับบ้านเราจกไม่ใช่มามารด็กอือไอ้นี่ก่อ่างมาดังไส้ข่างมาออ้น่เราก็เจ็บเด็กเด็่ทำานมันทำงนโค้งกเ เมื่อไรเริ่มไข่ิ่มปวดจะสงบเริ I ่มมดตัวอืม so ตึตึงตันตึงทันวนคัแงกงาาเท้ามันไกลเ้ามันเขก่อนเลยับไกลสิปองมันก็ถอยไฟเ้าถอยไฟมันก็เทนมนงาไปเทันมันงาจาเออคนยามันก็ค้นก็ค้นมาแล้วกะ ต้องตั้งสองมือคุณทำมาก็ต้องทำมาถ้ามีฝ่าคอนเสิร์ตออกคอนเสิร์ตมาเป็นกองเปิดร้านเป็นกันล่ากระท่าอาจจะท่าก็ได้ก็ ไม่ได้บางคนไม่ต้องมาเสงม่เสงก็ยู่สงถ้าคนกัดได้เนี่ยมาแบบมาเพิ <te> <Nina> Gary, ่มาขึ้นก่อนนะจ๊ะถ้านกัดเยอะอย่างเงี้ยมันให้เขาคนละสามสามลิ้นเสียบางกระดาษมันเงินลิ้นเสียบางเาเขาก็จะเินบากษตรกรเนี่ยคนละสามบาทฝรั่งเขาเงี้ยคนสาม้นเสียก็ได้ เอาเงิแล้วไปจองตัวม่ให้เลยนะใหเสร็จไม่ได้ไม่เสร็จทอนแล้วไปวัดเขมนจะทอนก็ถึงเอาเงินมาให้ให้มาเดี๋ยวมันเดี๋ินเอาเงินไปมาผมต่างหาไปผมก็เงินเดี๋ยวขึ้นหลังก็ต้องให้ทิ้งทเยอเงินมาเอาเงนมินเงินมันเดี๋มนจะต่อมันเลยแล้วจะทอนเข หลายคนตัวเกายเดเลียอเขามากเละเด็กเยอะมาเลยูับนอกตายก็ได้วนี่แค่มาตอนกลางเครื่อตอนกาเครื่อนเทียงเครื่องเลยพอดะแตเสร็จเลยเครื่ ถ้าวันนี้มันเคยเจอสังขารแล้วแต่ไม่จำไม่จำไม่จำเพาะสัารมันจะเห็นไม่ออกไม่ออกดอกใหม่จะเป็น่วป็นชวยแบบดอกใม่เป็นช่วยน่อยู่มีอยู่แล้วมันก็ไปถวายโอ้ยนั่นลุดกับบานเพื่เงินเสียไรงินคิดเอาไว้แล้วเงินบรญนั่งเงินกับมาเพื เคยาออกอะไร้ขนโดไมออกออกมออกออกลปนขดดั้งลอไ้อคันขาแล้วก็มามา่อมรักน่ใจทั้งบานน่าร้ายบานห้อยรมใบานทำาบานคำแล้วก็มาใจขึ้นแบบนหมวกขัในหลังคงอีกอือมาจากขอเัน อาหามไทยง่วงเต็มเลยพุ่นเต็มเลยข้าแดงท่านบันแม่นิ่งบันง่วงตังงหานัดโทษหลายคมมึงกตาอุตาเถออทีดเลยผมก็คอยไปหาความทหารนี่มัมาจาไหนบอกมต่อท่านสมานกันไที่ตายนี่สมานเเลยกันเดินเลียกูร้อนนี่แบบสิน นี่น้อ a ก็ยังโอ้แต่เขาไม่เปิดใเ่ก็ด้นี่ระเป๋านน้นน ก็จะ่นันน่จะมทนเัมการเงินบ้านแบบบางมองมองมันเป็นมันขัดเนเรานยมันนงสักนั้นเ็นนั้นเนปัญหาสร้าานกมาชีไมน้อสั่างนึงนั้นเป็นปัาอ่าออกจากบนนัั้าันขึ้นเท่ขึ้นเปนนย ไม่พลาดนะฮะตวงทุลเืองเนนทาทคห่างกัปเส้นทางไปนอัปัจจะเดขาเกิเยนนนขยันั้นใม่เลยหม่ะไปันด่าา่ ทุกสี 6, 7, 6, 9, also, ่สิบาวันราเกิดใช้เรื่อของขาวมันจะแข็งก็ะยังไม่หานเรากิเอาใบตองกลงไปแอบไปแอบมันก็มุ่งกมุ่งใบตงกลงอก็เก็บวก็ย่างก็จะเป็นบบก็จางข้วานเบบนี้เนอย่ คการเคลื่อนังเสียงเลยเ้ยมลี้ยคก็ีแล้วนั่งหนังนัสียงเหมือนทนล้ยตัวนึงมันลไปดนบมันไปอันกนี่กตกอัน่ก็่ก็ม่ดมันเอาควเคื่อมสง่วหัวขึ้นขึ อยู่ตรั้เออมันอะไรี่นีนออกไปกทอาขไจมาจหมอายจะอจมาบความวอะไรตอัอรนะเแล้วมันจะไเดี๋ยวหา้ัเาจะันั้นคไป มันก okay. okay. ็อ yeah. ันตรายสัมพันธ์นะเออไม่ก็ฮึฮ่าแอ่าจะที่แค่แล้วก็ฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮ yeah. ึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึ แบบมันก็คงอยู่แค่กว่าอย่างนี้โ้โห้าเื่องนี้โบกหัวเนี่ยขับรถขับรับรถอย่าอาบรมาจริงจริงทีเดินเนยนะันคือคมจะดเนาอหนี้อย่านโอ้ยหนงงกมเาอะไรเพราะอะไเออมันมาเอ่อดิบบ้นมันมาดิบมันจโตออ้ง เขาจะทำอะไรนก็จะ้ามาอีกกู่ัก็ิดก่อนน